คงพอทบทวนคัมภีร์เนติปรกรณ์ได้บ้างพอสมควรแล้วเนาะเนติปรกรณ์หมายถึงเนตินะเนติแปลว่านำไปนะั่นำไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นก็ทำไมคัมภี์เนติปรกรณ์จึงเป็นคัมภีร์ที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานก็เพราะว่าเป็นคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นอริยสัจนั่นนะ่ะพร้อมทั้งข้อปฏิบัติ ทันเมื่อคัมภีร์เนติปกรณชี้ให้เห็นอริยสัจเป็นคำพีร์ที่ประชุมอริยสัจให้เห็นบ่อยมากและก็บอกกิจ ด, ด้วยว่าสัจจะแต่ละอย่างนั้นมีกิจอย่างไรพร้อมทั้งบอกข้อปฏิบัติบอกวิธีการเสนอแนะวิธีการพิจารณาพระธรรมที่หลากหลายผู้ที่พิจารณาตามที่พระมหากัจยนะได้เรียบเรียง เอาพระพุทธพจน์มาเรียบเรียงเนี่ยนะประดดดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนั่นถ้าหากว่าเราศึกษาเรียนรู้เข้าใจในที่สุดก็ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานจนได้เพราะว่าเป็นคัมภีร์ที่มีวัตถุประสงค์ เ, เรียบเรียงเพื่อให้เวนิยสัตว์ทั้งหลายาบรรลุมรรคผลนิพพานเ น, นติปรกรณ์นั้นก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันใช่ไหม หาระนยะและาศาสนประทานหาระก็คือวิธีกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์นั้นพื้นฐานการศึกษาคำพรนินติปรกรทํทำให้เรา เ, เข้าใจวิธีอธิบายคำสอนถ้าหากว่าศึกษาพระธรรมไม่ดีเนี่ยนะจะเป็นคนกล้าวิวจารณ์คำสอนมากเนี่ยนะจะ คือวิจารณคำสอนเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักนักวิจารณพระพุทธรูปเนี่ยถามว่าเป็นยังไงเป็นคนที่ควรเป็นคนลักษณะไหนแหมพระพักนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พระเสียนเป็นอย่างนั้นพระศอเป็นอย่างนี้พระแข็งเนี่ยนะาหานี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตำหนิสวดทรงพระพุทธรูปไปหมดอะบางทันถามว่าคนที่วิจารพระพุทธรูป เขามีความคิดยังไงกับพระพุทธรูปอ่ะเขาคิดอย่างไรเนี่ยนะสภาพจิตเป็นเช่นใดก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมการวิจารณ์พระธรรมก็ลักษณะเดียวกันฉะนั้นคนที่ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจดีพอเนี่ยนะก็จะวิจารณ์พระธรรมทีนี้วิจารณ์เสร็จเนี่ยถ้าวิจารณ์ตามคำสอน แล้วเจริญด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าวิจาร์โดยที่เข้าใจผิดในคำสอนเหล่านั้นเหล่านั้นเขาก็เจริญไม่ได้ันผู้ที่ศึกษาคำพีนเนติ ป, ปกรณเนี่ยอย่างน้อยที่สุดทำให้มองพระธรรมออกว่าพระธรรมเป็นเช่นไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีหลักการแสดงอย่างไร แล้วข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงชี้แจงเสนอแนะเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะไม่ไม่พลีผลามในพระธรรมเพราะว่าผู้ที่พลีผลำในพระธรรมสําคัญว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ล่วงเกินได้เป็นสิ่งที่หมายคือว่าเป็นของเหมือนกับทําเป็นเล่นไปได้อะไรเงี้ยเาขาก็จะเสียหายในภายหลังดังนั้นการศึกษาพระธรรมนั้นถ้าไม่ศึกษาให้หลายๆอย่างหลายๆแห่ง หลายๆคำภีแล้วก็โดยเฉพาะหาระหลายๆหาระนั้นเราพร้อมที่จะเข้าใจผิดในพระธรรมได้เลยถ้าเราเข้าใจพระธรรมถูกต้องเราน่าจะมีส่วนแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในใจเออนะถ้าถ้าเรามองชีวิตตามสภาพที่เป็นจริงอย่างแท้จริงนะถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจพระธรรมอย่างดีเข้าใจพระธรรมถูกต้องเข้าใจพระธรรมโดยไม่คลาดเคลื่อน แสดงว่าเรานี้ใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปแล้วแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องชี้เครื่องวัดว่าเรานี่เป็นผู้ใกล้มรรคผลนิพพานจริงดังนั้นถ้าหลักปริยัตเป็นต้นไม่แม่นหรื อ, อเมื่อปริยัตแม่นทั้งนั้นทั้งนี้สําคัญที่สุดก็คือกุศลธรรมเราต้องหนาแน่นถ้ากุศลธรรมหนาแน่นการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลจึงจะเป็นไปได้ เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลก็คือการเจริญกุศลและก็การละอกุศลอกุศลมันลดลงไปไหมแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยรู้จักอกุศลไหมเด่นะถ้าไม่รู้จักอกุศลเป็นไปได้อย่างไรเนอที่จะเจริญกุศลทีนี้อกุศลเนี่ยนะถ้ามันอยู่ที่ใจคนอื่นดูไม่ค่อยยากแต่ในใจเรานี่มันดูจะเป็นกุศลไปเกือบหมดเลย พออากุศลเกิดก็เราก็ยังดีอีกนั่นแหละใช้ได้เราไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอัคติต่อต่อภายในเนี่ยมากการศึกษาพระธรรมนั้นเราจึงศึกษาต้องลักษณะมอบกายถวายชีวิตให้แก่พระธรรมศึกษาด้วยความเคารพพระภิกษุปไปถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดหนอศาสนาจึงเสื่อม อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศาสนาเสื่อมอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศาสนาดำรงโยพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเมื่อความไม่เคารพในพระพุทธเจ้าความไม่เคารพในพระธรรมความไม่เคารพในพระสงฆ์ความไม่เคารพในศิษขาความไม่เคารพในสมาธิความไม่เคารพในความปฏิสันธานความไม่เคารพในความไม่ประมาทอันนี้แหลเป็นเหตุเป็ น, นปัจจัยให้ศาสนาเสื่อม <out van> ทีนี้ถามว่าศาสนานี่เสื่อมจากใครถ้ากล่าวว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากจิตของเรานั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเพื่อจะให้พระศาสนาประดิษฐานอยู่ที่จิตของเราศาสนาคืออะไรตัวสภาวะนะศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคือศาสนาพรหมจรรย์การประพฤติอันประเสริฐเนี่ยนะศาสนาตัวนี้หมายถึงว่า ประชมคําสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชมประมวลลงที่สิกขาสามศาสนาดำรงอยู่ก็เมื่อสภาพจิตของเรานี้เป็นไปกับสิกขาสามเมื่อใดที่จิตไม่เป็นไปกับสิกขาสามตอนนั้นศาสนาเสื่อมจากใจเราพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่เช่นนั้นแหละพระองค์เป็นเช่นนั้นแหละตถาคตพระองค์ู้มาอย่างนั้นผู้ไปอย่างนั้นผู ตรัสรู้ทำดีแล้วเนี่ย พ, พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นแลคํคำสอนของพระองค์ก็เช่นนั้นหมู่พระอริยะทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เช่นนั้นแล้วเราเนี่ยศาสนาเสื่อมหรือไม่เราก็ดูจากสภาพจิตของเราจิตของเราเป็นไปกับสิกขาบ่อยไหมถ้าจิตเป็นไปกับสิกขาก็ดูว่าพุทธคารวตาความหนักแน่นในพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรความหนักแน่นในพระธรรมของเราเป็นอย่างไร ความหนักแน่นในพระสงฆ์ของเราเป็นเช่นไรความหนักแน่นในศิษขาเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้เครื่องวัดว่ า, าศาสนาดำรงมั่นหรื อ, อยังาศาสนาดำรงรากแก้วลงในในจิตของเราหรื อ, อยังบุคคลในยุคใหม่เขาต้องการให้าศาสนาดำรงอยู่ในแผ่นดินแต่ก็ไม่พยายามที่จะเอาพระาศาสนาดารงไว้ในในใจนนเมื่อไม่เอาพระาศาสนาดารงไว้ในใจเขา้า บาปอากุศลมันก็เล่นงานกลุ่มรุมเมื่อบาปอากุศลเล่นงานกลุ่มรุมเข้าก็ในที่สุดก็ทำบาปทำกรรมให้แก่ตัวเองบุคคลในโลกนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนที่ทำบาปทำอกุศลให้แก่ตัวเองแล้วไม่รู้ตัวว่ากำลังทำบาปทำอกุศลลุ่มหลงว่าตัวเองกำลังเจริญกุศลนะซึ่งตรงนี้แหละที่ความเข้าใจตรงนี้ต้องดีมากๆเลยทราน ถ้าสารณะเราไม่แม่นไม่ม่นยำความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ดีเพียงพอสภาพจิตของเราไม่สงบร่มเย็นพอก็ยากที่จะวินิจฉัยได้เฉะนั้นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทั้งหมดนในใ น, ในทุกๆขาระก็เพื่อที่จะให้เราตรวจสอบชำระสภาพจิตของเราอะนั้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมประโยชน์อย่างยิ่งอย่าลืมว่าคำสอนทั้งหมดมีรสเดียวใช่ เพื่อวิมุตติรสพ้นจากอะไรจิตนี้พ้นจากอะไรพ้นจากราคาพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะพ้นจากบาปพ้นจากอกุศลเมื่อจิตพ้นจากราคาโทสะโมหะจิตพ้นจากอกุศลทั้งหลายก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้ที่ไม่สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็เนื่องว่าจิตนี้เป็นไปกับบาปและเป็นไปกับอกุศลบาปอกุศลกลุ่มรุม เมื่อบาปอากุศลกลุ่มรวมนั้นผู้ที่มีบาปอากุศลกลุ่มรมนั้นไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมจริงๆเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรปริ ญ, ญญาธรรมก็ไม่รู้ปหาตประธรรมก็ไม่รู้สัจจิกาตประธรรมก็ไม่รู้ภาเวตประธรรมก็ไม่รู้การปฏิบัติปฏิปทาเพื่อให้บรรลุมรรคผลก็ไม่รู้เพราะว่าหยุดอยู่ในความเนิ่นช้า นั้นการศึกษาพระธรรมคําสอนที่ถูกก็อย่าลืมนะว่าเราเจริญในพระศาสนาเพียงใดใกล้ถึงที่สุดแห่งทุก์เพียงใดเรามั่นใจแล้วหรือว่าเราทั้งหลายใกล้ที่สุดแห่งทุกขเข้ามาแล้วเอาอะไรหนอเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะศึกษาพระธรรมนี้ใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมว่าที่สุดแห่งทุกของเราใกล้เข้ามาแล้วที่สําคัญตรวจสอบตัวเองให้ดีนะไม่ใช่หมกเม็ดแล้วก็เออใช่ใช่อะ เอาพรมมามกเข้าไว้แล้วก็เน่าเฟะข้างในแล้วหมกเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วทำไมใหม่ๆก็แต่งบัญชีเลยมาดูในเนติปรกรณ์ปริวัฒนหาราเนี่ยนะข้อสามสิบห้าหน้ากสิบสาปริวัฒนหาหราก็คือวิธีพลิกธรรมะให้เห็นธรรมะที่ตรงกันข้ามนะพลิกคิดง่ายๆว่าพลิกฝ่ามือก็ไดนะ้เหมือนกับพลิกฝ่ามือเนี่ยพลิกดำพลิกขาว พลิกดีพลิกชั่วพลิกบุญพลิกบาปว่าง น, นจะต่างจากาหาระก่อนนะหาระก่อนนี่คืออะไรวิพัตตะหาระกับอวัตาหาระาปริวัฒนะหาระนี้จะต่างจากอาวัตาหาระอวัตาหาระก็เป็นการหมุนสภาคะวิสภาคะนะคือก็ยังพูดถึงสภาคากับวิสภาคะก็คืออวัตตะเหมือนกันนั่นแหละพลิกแต่ว่าพลิกแบบหาประทัดฐาน นะหาเหตุใกล้ของธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นไปเรื่อย น, นะอันนั้นเป็นลักษณะของอวัตตหาระทีนี้พอปริวัตนาเนี่ยคแค่พลิกเฉยแค่พลิกตรงๆงเลยนะเพราะคำอธิบายพลิกตรงๆงแต่ถ้าพลิกเสร็จแล้วไปหาประฐานก็ต้องไปดูในอวัตตหาระนะเพราะอาวัตตหาระเป็นการหาประฐานลองดูคำอธิบายโดยย่อนะคอธาาิบายโดยย่อในหน้า2หห ว่าธรรมะที่กล่าวไว้ในสู่ทั้งหลายย่อมถูกพลิกกลับด้วยอำนาจแห่งปฏิปักษธรรมด้วยวิธีนี้หรือในวิธีนี้เพราะเหตุนั้นวิธีนี้ชื่อว่าปริวัตนหาหระก็คือการพลิกพลิกธรรมะนะคือถ้าพูดดำปั๊บต้องนึกถึงขาวถ้าพูดขาวต้องนึกถึงดำอย่างเงี้นะเป็นการพลิกพูดมืดต้องนึกถึงสว่างอะไรที่มันตรงกันข้ามนึกอย่างงี้ การพลิกกลับธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าปริวัตนะได้แก่หาระที่มีลักษณะการพลิกธรรมะฝ่ายกุศลให้เห็นธรรมะฝ่ายอากุศลหรือพลิกธรรมะฝ่ายอากุศลให้เห็นธรรมะฝ่ายกุศลที่ตรงกันข้ามนะก็แสดงว่าเป็นศาสนาแห่งผู้รู้จริงๆถ้าพูดดำต้องรู้เขาวพูดดีต้องรู้ชั่วนนพูดสุขต้องรู้ทุกผู้นะสังคตะต้องรู้อ่ะสังคตะเนี่ยนะเป็นงานพลิกมอง อย่างนี้บ่อยๆทีจริงถ้าหลายๆเรื่องถ้าเราฝึกพลิกแบบนี้บ่อยๆน่าจะได้ดีไปเยอะเหมือนกันนะในชีวิตที่เป็นจริงอะนะลองพลิกๆดูนะเออนี่จิตอย่างเงี้ยเป็นยังไงถ้าตรงกันข้ามกับอันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะพันลักษณะที่พระมหากาจัจายณะกล่าวว่าการสแสดงเมื่อสแสดงกุศลธรรมที่ควรเจริญหรืออกุศลธรรมที่ควรละแล้วพลิกไปในธรรมะที่ตรงกันข้าม คือถ้าแสดงกุศลที่ควรเจริญพับก็ต้องพลิกไปหาอากุศลที่ควรละถ้าเจริญกุศลอะไรเนี่ยอกุศลอะไรที่ถูกละถ้าอากุศลเกิดกุศลตัวใดเกิดขึ้นแล้วเสียหายเนี่ ย, ย, ยแล้ว ก, ก็ต้องมาศึกษาพลิกแพลงอยู่อย่างนี้ม า, มาดูคําอธิบายพิสดารหน้าหกว่าตัวอย่างที่พระองค์ตรัสว่ามิจฉาทิฐิย่อมหายไปจากบุรุษบุคคลผู้มีสัมมาทิฐิ อากุศลธรรมอันเลวทรามเป็นอันมากเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นเพราะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยอากุศลธรรมอันเลวทรามเหล่านั้นย่อมหายไปจากบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐินั้นกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นเพราะสัมมาทิฐิเป็นปัจจัยและธรรมะเหล่านั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาแก่บุคคลนั้น ก็คงพูดถ้ากุศลเกิดขึ้นกุศลคือสัมมาทิฐิเกิดขึ้นอะไรหายไปมิจฉาทิฐิหายไปเนี่ยสัมมาทิฐิในที่นี้หมายถึงปุปภาคสัมมาทิฏฐิหรือโลกุตระสัมมาทิฐิปุปภคสัมมาทิฐิคืออะไรวิปัสนาสัมมาทิกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิ ถ้าโลกุตระสัมมาทิทฐิก็มรรคสัมม า, มาทิฐิผลสัมมาทิฐิถ้ากรรมมัสกาตาสัมมาทิฐิเกิดขึ้นวิปัสนาสัมมาทิฐิเกิดขึ้นมรรคสัมมาทิฐิเกิดขึ้นมิจฉาทิฐิย่อมหายไปจากบุรุษบุคคลนั้นะนะหายไปเช่นว่าถ้าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ะละมิจฉาทิฐิไปโดย ตะทางฆ่าปหาร ก, กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ละมิจฉาทิฐิไปโดยวิขำพนะตะทางฆ่าปะหารเหมือนกันนะถ้าโลกุตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ละมิจฉาทิฐิโดยสมุดเชธะปะหารก็เป็นการละอย่างเด็ดขาดก็แบ่งเป็นมิจฉาทิฐิกันนะมิจฉาทิฐิกับสัมมาทิฐิ ทีนี้ถ้าเป็นสัมมาทิฏิเนี่ยนะแล้ก็มาดูว่าสัมมาทิฏิหนึ่งอะไรกรรมมัสคตาสัมมาทิฏิถ้ากรรมมัสคตาสัมมาทิฏิเกิดขึ้นละอะไรกรรมมัสคตาสัมมาทิฏิทีท่เต็มบริบูรณ์จริงๆเนี่ยคือยาตะปริญญาเท่ากับยาตะปริญญานะ ยาตะปริญญานี่อมวิปสัสนาไว้กี่ข้อสองข้อหนึ่งสังขาระเฉทยานสังขาระเฉทยานบ้างนามรูปประเฉทยานบ้างนามรูปววัฏฐานบ้างหลายเช่อด้วยกันในหนึ่งกับปัจจะยะเปริกหายานทีนี้ถ้าเอากรร ม, มสัสกตามาจับเนี่ยนะความรู้ในเรื่องกรรม ก็ต้องพูดถึงผลของกรรมหมผลของกรรมหมายถึงอะไรวิบากกับกรรมมชรูปวิบากกรรมมชรูปพวกนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากกรรมวิบากกรรมมชรูปตัวนี้แหละเรียกว่าขันห้าวิบากกรรมมชรูปคือขันท้าขันท้าเหล่านี้ก็มีอะไรมีกรรมเป็นปัจจัยกรรมที่เป็นปัจจัยแก่วิบากกรรมมชรูปมีอะไรบ้างหนึ่ง ชนะกกรรมเป็นต้นนะกรรมที่นําเกิดหรือกรรมในที่เป็นทิฏฐธรรมโอปปะชะเวทนิยกรรมอัปราประเวทนิยกรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดแก่กรรมก็ปฏิจจสมุปบาทแบบที่เราเคยกล่าวไปแล้วคืออดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลความพิจารณาอย่างนี้นี่ว่ากรรมและผลของกรรมเนี่ยในตัวกรรมนี่มีใครอยู่ในกรรมไหมไม่มี ผู้ทำกรรมมีไหมไม่มีผู้เสวยผลของกรรมมีไหมไม่มีกรรมมีไหมมีผลของกรรมมีไหมมีกรรมและผลของกรรมมีอยู่แต่ผู้ทำกรรมไม่มีผู้เสวยผลแห่งกรรมก็ไม่มีกรรมก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอย่างเช่นจักรคูวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครอยู่ในจักรคูวิญญาณไหมไม่มีแล้วใครเป็นเจ้าของจักรคูวิญญาณก็ไม่มีจักรคูวิญญาณอันนี้มีกรรมเป็นปัจจัยใช่หรือไม่บอกใช่ แล้วเมื่อหลังจากจากูวิญญาณเกิดทำกรรมใหม่ใช่ไหมใช่ทำกรรมใหม่แล้วมีใครทำก็มีเจตนาเป็นตัวกรรมก็ไม่มีใครอยู่ในเจตนากรรมเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมะเวชนิยกรรมเป็นต้นนะก็มาวิเคราะห์ถึงกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นความรู้ว่ากรรมมีอยู่ผลของกรรมมีอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในกรรมและผลของกรรมอันนี้เป็นการวิเคราะห์ การกําหนดสังขารหรือสังขารปริเฉทานแล้วการรู้กรรมรู้ผลของกรรมด้วยดีอย่างตลอดสายก็เป็นปัจยปริขหายานเนี่ยทีนี้เอ่อตัวนี้แหละเรียกว่ากรรมมสกตาสัมมาทิฐิกรรมมสกตาสัมมาทิฐิที่เป็นบาศอย่างดีของทิฏฐิอะไรเป็นบาศอย่างดีของวิปัสนาสัมมาทิฐิวิปัสนาสัมมาทิฐิก็จะพิจารณาว่า วิบาก ก, กรร ม, มชรูปเที่ยงหรือไม่เที่ย ง, งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพันตัววิปัสสนาสัมมาธิ ท, ท, ทีก็จะพิจารณาผลเนี่ยนะคือปัจจยุบันหมายถึงวิบาก ก, กรร ม, มชรูปเนี่ยนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้แต่ปัจจัยแห่งวิบากกรรมมาชรูปก็ ไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเข้าไปพิจารณาอย่างนี้โดยรู้เหตุเกิดความดับเป็นอย่างดีอันนี้แหละเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มอย่างอ่อนกับพลวะมีกําลังไอ้กลุ่มอย่างอ่อนนี่ก็คือตีระปริญญาเบื้องต้นนั่นเอ ตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่นะพิจารณามากเท่าไหร่พิจารณาวิบากกรรมรูปมากเท่าไหร่พิจารณาปัจจัยมากเท่าไหร่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายิ่งพิจารณามากๆนั่นแหละเป็นตีระปริญญาหรือวิปัสนาเบื้องต้นถ้าวิปัสนาปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นนะมิจฉาทิฐิก็จะถูกกําจัดออกไปใน วิบากกับตมัมมะชโรบเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยนะก็จะถูกละละความเข้าใจผิดในบาปในอกุศลธรรมเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นตามแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเท่าไหร่มิจฉาทิฐิก็ถูกละออกไปเท่านั้นเนี่ยนะตามสูตรของเขาบอกว่าละสกายทิฐิด้วยการกำหนดนามรูปละทิฐิที่ไม่มีเหตุเรียกว่าเหตุตุกทิฐิ วิสมะเหตุกาตทิฐิด้วยการกำหนดปัจจัยการละความสำคัญหรือความถือว่าเราว่าของเราด้วยการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเรียกว่าสัมมาสนญญานพิจารณาะละสัสตตทิฐิด้วยการพิจารณาความดับละอุเชทิฐิด้วยการพิจารณาการเกิดละความถือว่าไม่น่ากลัวโดวยการตามเห็นว่าเป็นของ น่ากลัวท่นพวกวิปัญญาทั้งหลายเนี่ยจะละไอเมิจฉาทิฐิเหล่านั้นตามสมควรแก่ปัญญาที่เกิดขึ้นถ้าอริยมรรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นถ้ามรรคสมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยนะทิฐิทั้งหกสิบสองบวกสกายทิฐิอีกหนึ่งถูกเพิกถอนโดยประการทั้งปวงถ้าโลกุตระสมมาทิฏฐิเกิดขึ้นทั้นพวก กรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสน า, าสัมมาทิฐิเป็นทางฆ่าปะหารเป็นวิขมพรนาปะหารต่อมิจฉาทิฐิอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นสมุทเฉธาปะหารทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มิจฉาทิฐิเกิดขึ้นไม่ยอมชำระสาสาง ม, มันเลย น, นะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆให้มิจฉาทิฐิเกิด บ่อยๆเกิดมากๆอะไรตามมาถ้าปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นอ่ะ น, นะมิจฉาทิฏฐินะถ้าแบ่งไปแล้วคือการสำคัญว่าส ก, กายะทิฏฐิก่อนนะส ก, กายะทิฏฐิแบ่งเป็นสองกลุ่มที่เป็นอุเฉททิฏฐิกับสัสตะทิฏฐิเมื่ออุเฉททิฏฐิสัสตะทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นปัจจัยอย่างดีต่อปาณาติบาตอุเฉททิฐิก็ทำปาณาติบาตสัสะทิฐิก็ทำปาณาติบาต ท, ทิถินะเช่นอุเฉททิถิถ้าถือว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบเลยเนี่ยนะการฆ่าผู้อื่นมีโทษตรงไหนเพียงแต่ธาตุชํ้แรกเข้าไปในธาตุหมดกันใช่เพราะจะฆ่า เบือตายเป็นขนาดไหนเนี่ยนะก็ไม่มีโทษอะไรก็ตามมาซึ่งปานาติบาต ถ, าถ้าพวกสตตทิฐิก็บอกว่าก็ทำปานาติบาตเหมือนกันเพราะเดี๋ยวล้างบาปแล้วก็ไปอยู่ในที่บริสุทธิ์ตลอดไปไม่มีบาปก็ล้างบาปได้สตตทิฐิเนี่ยนะลัทธิสมัยใหม่ก็สตตทิฐิเออขออภัยศาสนาหลา ย, าลยๆศาสนาโดยมากสตาทิฐิแต่ก็ส่งเสริมต่อปานาติบาต นนะเพราะเขาถือว่าล้างบาปได้ชำระบาปได้ น, นะฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ฆ่าอะไรก็ตามสามารถล้างบาปได้พราะพวกนี้ก็ตามด้วยปาณ า, าติบาปแต่ล้วถ้าจะอาทินนาทานเสียหายไหมไม่เสียหายการเมสุมิชฉาจารย์ก็ไม่เสียหายก็สรุปว่าอะคุศลกรรมบรนนะดสิบเจริญนะทุจริตบริบูรณ์อุปกิเลส เต็มเปี่ยมเลยนะเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยมิจฉาทิฏฐินั้นถ้าถ้าเขาเกิดขึ้นนะผลของมิจฉาทิฏฐิก็ดูจากทุจริตกรรมทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเป็นผลพวงโดยอ้อมจากมิจฉาทิฏฐิผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแหละที่ทำกรรมให้ล่วงอกุศลกรรมบทที่เป็นเอศให้ไปสู่อบายนั้นแสดงว่าพื้นฐานมาจากมิจฉาทิฏฐิสกายทิฏฐิอุเฉทิฏฐิหรือ สัสตตถิธิเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งบาปประกรรมมากมายถ้าสัมมาทิฐิเกิดขึ้นวิปัสนาสัมมาทิธิกรรมสกตาสัมมาทิธิเกิดขึ้นมิจฉาทิฐิก็จะหายไปอกุศลธร ร, รมเป็นอเนกที่มีมิจฉาทิฐิเป็นบริวารก็ถูกละออกไปถูกเพิกถอนออกไปกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่มีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้ากุศลทั้งหลายที่มีสัมมาทิธิเป็นหัวหน้ามีอะไรบ้าง กุศลกรรมบทสิเนี่ยนะสมถะทั้งหลายวิปัสนาทั้งหลายมรรคทั้งหลา ย, ก, ลายก็จะถึงความเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยพนันต้นตอแห่งบาปอย่างแท้จริงคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นต้นตอแห่งบาปสามารถทําให้ทําบาปอีกตั้งมากเนี่ยนะเพราะถ้าทําบาปด้วยอํานาจทิฏฐินะีมันทำทำรุนแรงด้วยทำทำชนิดที่เรียกว่า ไม่กลัวอะไรด้วยเขามีสมณะคนโลนคนหนึ่งะนะเขารับจ้างฆ่าพระภิกษุสมัยพุทธกาลเาถ้าเขาฆ่าแต่เขาก็จะได้บาทได้จีวรนะเขาจะถือว่าเขาเนี่ยการฆ่าคนคือการส่งคนไปสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านก็เที่ยวฆ่าพระภิกษุไปเยอะเนี่ยนะก็ถือว่าส่งส่งคนไปสวรรค์ก็เลยฆ่าพระภิกษุเนี่ยเป็นหลายร้อยรูปภายในยไม่กี่วันเนี่ยฆ่าไปหลายร้อยรูปมาก สมัยนั้นเนี่ยสมัยพุทธการนะสมัยพระผู้มีพระภาคยังมีพระชนอยู่กฆ่าไปเยอะมากเพราะทิฏฐิที่เทพพระบุตรตมารมาแนะนําว่าส่งคนไปสวรรค์ส่งคนข้ามทุกข์ก็เลยเคยได้ยินเขาพูดเล่นๆไหมข้ามมดข้ามปลวกจะได้ส่งมันไปสวรรค์เนี่ยนะฆ่าสัตว์ฆ่าปูฆ่าปลาเป็นต้นส่งสัตว์เหล่านั้นไปสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกนี้จะทําบาปได้อย่าง ชนิดที่เรียกว่ารุนแรงมากทําอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอํานาจของทิฏฐิเป็นปัจจัยให้ติดตามด้วยอกุสุรธรรมเป็นอเนกอกุศุรธรรมเป็นอันมากที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแต่ถ้ า, ากุสุรธรรมเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเหมือนพระอริยะสาวกทั้งหลายอย่างนางวิสาขาหลังจากที่นางมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ ได้โลกุตระสัมมาทิฐิบรรลุเป็นพระโสดาบันกุศลธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่นางวิสาขาบรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วกุศลธรรมเป็นอันมากเลยที่เกิดขึ้นอนาถาบินทิการเศรษฐีมีเมียกุศลอะไรเกิดขึ้นบ้างบุคคลอื่นๆที่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมีมรรคสัมมาทิฏฐิสามารถเจริญกุศลได้อย่างมากมายเนี่ยนะจนสามารถบรรลุมรรคผลได้ใน ที่สุดโดยเฉพาะอาระหัตตมรต ส, สมัยที่องค์คุลิมานมีมิจฉาทิฐิถือว่าการฆ่าเพื่ออะไรฆ่าเพื่อที่จะให้วิชาอาคมเนี่ยมันมันมีกําลังแก่กล้าเป็นฆ่าบูชาอาจารย์หรือที่เรียกว่ายกครูเนี่ยนะพังก็ก็ถือว่าการฆ่าคนให้ครบพันคนเนี่ยเพื่อบูชาครูเพื่อยกครูเนี่ยอันนั้นก็เป็นทิฐิอย่างหนึ่งที่ที่อาจารย์เนี่ยสอนให้มาพอทิฏฐิอันนั้นเกิดขึ้นนะแกทําปานาฏิบาตเท่าไหร่ ก็9ก้หลังจากนั้นฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแก่ก็เลิกกุศลธรรมเป็นอันมากก็เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นในที่สุดอริยมรรคทั้งหลายของพระองค์โคลิมานก็เกิดขึ้นก็เป็นพระอระหรันต์เพราะอํานาจของสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่เป็นตัวที่มีโทษมากๆเกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็ยังบุคคลเหล่านั้นให้ทําบาปอย่างมาก ันสัมมาทิฏฐินี่ดีถ้าเกิดขึ้นแล้วนะอกุศลมิจฉาทิฏฐิก็หายไปอกุศลที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัดใจก็หายไปอย่างเราสังเกตดูเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่มีกรรมสกกตาสัมมาทิฏฐิไม่มีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเราจะต้องไปทำบาปอะไรบ้างเนี่ยเราต้องทำบาปอย่างอื่นอีกเยอะไหม ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปซะอย่างเดียวนะถ้าไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปฏิเสธผลบุญปฏิเสธผลบาปอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่บาปล้นล้นี่นะังั้นมิจฉาทิฏฐินจะถูกกําจัดโดยสัมมาทิฏฐิดังนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นคู่ปรับกับมิจฉาทิฏฐิเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันถ้ากล่าวสัมมาทิฏฐิก็ต้องบอกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวละ มิจฉาทิฏฐิการพลิกอย่างนี้แหละเรียกว่าปริวัติณะอาระพลิกกลับไปเนี่ยนะแสดงให้เห็นทั้งสองฝ่ายว่าถ้ากุศลเกิดอกุศลอะไรถูกละออกไปมิจฉาสังกปะย่อมหายไปจากบุรุษบุคคลผู้มีสัมมาสังกปะอกุศลธรรมอันเลวทรามเป็นอันมากเหล่าใดที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีสัมมาสังกปะ เพราะมิจฉาสังกัป่เป็นปัจจัยธรรมะเหล่านั้นย่อมหายไปจากบุคคลนั้นกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเพราะสัมมาสังกัป่เป็นปัจจัยและธรรมะเหล่านั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาแก่บุคคลนั้นก็ลองมาคิดดูนะว่าถ้าเรากามวิตกมากๆเกิดขึ้นนะอะไรจะตามมาอนอกุศลวิตกนะกามวิตกเกิดขึ้นนะมิจฉาวาจาจะตามมา มิจฉากรรมมันะจะตามมามิจฉาอาชีวะจะตามมามิจฉาวายามะมิจฉาสติเป็นต้นจะตามมาจนเต็มเปีม่ม